คุยกันถเรื่องเล็กๆน้ๆนอยๆในการเจริญสมถะกรรมฐานและมีปัสนากรรมฐานแลยิ่พ่ออย่างยิ่งนักเจริญสมถะกรรมฐานมีปรสนากรรมฐานเขาก็ถือเอาของทุกอย่างที่มีในโลกเป็นครูทั้งหมด <c oughs> <c oughs> เพราะว่าองค์สมเด็จพระบรมสุคต ท่านบอกแล้วว่าธรรมะที่เรานามาสอนนี่ไม่ได้นํามาจากไหนธรรมะทุกอย่างมีอยู่ในโลกทั้งหมดแล้วองค์สมเด็จพระบัณิแก้วสอนมาทุกหมุมแต่เราอาจจะไม่เข้าใจนั่นีมีเรื่องสาคัญอยู่เรื่องหนึ่งเวลานี้เสียงเพลงตามสถานีวิทยุต่างๆจากเครื่องขยายเสียงต่างๆ ดังรอดประมาสู่โสดาศาสตร์เป็นปกตินี่ถ้าเราจะเป็นคนลำคาญในเสียงเพลงหรือว่าจะเป็นคนผิดปกติไปเพราะว่าปกติชาวโลกเขาชอบกันอย่างนั้นแล้วเราก็จะทำยังไงเราจะเสียงเพลงมาให้เป็นประโยชน์ในการด้านการจเจริญสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน แต่ความจริงเสียงเพลงคนดีเสียงขับเระโคงคนดีการดูมโหรสพกคนดีย่อมเป็นปัจจัยเข้าถึงโมกะธรรมได้โดยง่ายดูตัวอย่างท่านพระโมคคัลลานะรบษาใน บ, นบุตร <c oughs> ก่อนที่จะออกบวชท่านเองท่านก็ไปดูมโหรสพตามปกติทุกคราวที่ดูมโหรสพ ก็มีความรื่นเริงให้รางวัลตามสมควรถ้าชอบไทยเพราะในฐานะที่เป็นลูกมหาเศรษฐีเต็มาในวันสุดท้ายแปลกฏ้วยท่านทั้งสองนี้นั่งหน้าสนหลดทั้งสองท่านคายความรื่นเริงบันเทิงใจพระโมคคัลลาเจึงถามภาษารีบุรว่าจะหายวันนี้เพื่อนทำไมถึงไม่มีการรื่นเริง ภาษารี่บุตรก็ถามบ้างเหมือนกันว่าท่านล่ะเป็นยังไงถึงไม่มีความด้วยเรื่องกสองท่านมีความเห็นตรงกันบอกว่าเราก็ดีบุคคลผู้แสดงก็ดีเลยคนทั้งหลายที่ไม่มาดูมหรสพก็ดีทั้งหมดนี้ไม่ช้าต่างคนก็ต่างตาย <c oughs> ในเมื่อต่างคนต่าง ต, า, งตายแล้วการดูมรรสบมันก็ไม่มีประโยชน์ ในการที่เราเกิดมานี่มันก็มีแต่โทษไม่มีคุณเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดนี่มันจะมีประโยชน์อะไรนี่พระอาศัยปัจจัยที่ท่านดูมโหสถท่านสองท่านเป็นคนที่มีบา ร, รมีเต็มเปี่ยมแล้วเคยปรักอธิษฐานตัวเป็นสาวกขององค์เป็นอาคสาวกขององค์สมเด็จพระบพิแก้ว <c oughs> จิงคิดในใจว่าในโลกนี้มีของมันมีผูกกันมันมีมืดและก็มีสว่างมีเกิดแลก็มีตายไอ้ธรรมที่ให้เกิดและทําให้ตายมีอยู่ได้แต่ไอ้ธรรมที่ทาบุคคลไม่ให้ตายนี่มันต้องมีแต่สองคนในตัดสินใจแสวงหาธรรมที่ไม่ตายคือโมอกะธรรมํามเรเครื่องพ้นจอดความตายจึงเข้าไปหาท่านสันชัยปรีภาชค แล้วก็พบพระพุทธเจ้าในการหลังนี่เรามาคุยกันถึงว่าการดูมหรสศพมันมีประโยชน์ <c oughs> ดูก็ดูอย่าดูเฉยดูแลก็ต้องคิดไปดูว่ามหรสศพค น, สนแสดงก็ดีคนดูก็ดีมันตายดียกันหมดมรรสพที่คเขาแสดงแล้วมันก็แล้วกันไป ตัวใหม่ออกมาตัวเก่าเข้าไปาแสดงไปแสดงม า, าแสดงม า, าแสดงไปในที่สุดเราก็สบกันเ่ยมันก็เหมือนกับชีวิตของเราที่เกิดพุกพกรโผลกโผลผลกรเกิดมันแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดย่ํากันไปย่ำกันมาในทํานองนี้ในที่สุดเราก็จะพบการนัตตาคือการสลายตัวไอ้เมื่อมัน แสดงข้าวแสดงออกแสดงออกแสดงข้าวตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายมันก็เกิดมีแต่ความทุกข์มีแต่ความลําบากใจพอเราเกิดที่ไรมันไม่อยากตายสักทีแล้วมันที่ต้องตายเกิดมาทุกครั้งเราไม่อยากแก่มันก็ต้องแก่เกิดมาทุกครั้งมันไม่อยากป่วยมันก็ต้องป่วยเกิดมาทุกครั้งไม่ต้องการกระทบกระทั่งกับอารมณ์ที่ไม่ชอบใจมันก็ต้องกระทบ นี่มันเป็นเพราะอะไรเป็นบ่าสิ่งทหลายเหล่านี้มันอยู่ในดินแดนที่เราเกิด <c oughs> ถ้าเรายังมีความเกิดอยู่สมบัติทั้งหลายเหล่านี้มันประจำอยู่ที่นั่นแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนกับคนที่เดินเ อ, อกไปกลางแจ้งแดดจัดเราจะบอกว่าเราไม่ต้องการถูกแสงอาทิตย์มันก็เป็นไปไม่ได้ เราเดินลงไปในพระมหาสมุทรที่มีน้ําเต็มเตี่ยมเราจะบอกว่าเราไม่ต้องการเปียกนะ้ํามันก็เป็นไปไม่ได้ข้อนี้ชั้นใดความเกิดขึ้นมาเราก็กระทบ ก, กับของที่ไม่จริงไม่จังที่เรียกว่าอนิจจังหาความเตียงไม่ได้ทุกขังมีสภาพเต็มบริการทุกอนัตตาเต็มบริการสลายตัว <c oughs> นี่ว่ากันถึงว่าเราดูมโหรสพแอนนี่เสียงดนตรีเมื่อ้ราคิดกันไปทีว่าเสียงดนตรีนี่มันน่ารำคาญเหลือเกินมันสร้างแต่ความยุ่งมันไม่มีอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขมันยั่วย้าอยู่ตลอดเวลาเพลงบางเพลงก็ชวนให้เฟิดเฟ เพลงบางเพลงก็ชวนให้เราลำคาญใจแล้วในเมื่อเพลงมันเป็นอย่างนี้เราคิดอย่างนั้นมันก็ไม่มีประโยชน์ไหนๆเราเป็นสิทธิ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราก็ต้องเอาทุกอย่างในโลกที่มีอยู่มาเป็นธรรมะเรื่องปฏิบัติทำมาเป็นครูสอนเราแล้วก็เพลงมันจะสอนคนได้ยังไง แในความจริงเพลงสอนคนไม่ได้คนต้องสอนตัวเองเอาเพลงเข้ามาเป็นครูถ้าหาว่าเราหวังจะเพลงเข้ามาเป็นครูด้านสมถะภาวนาเข <c oughs> าก็ฟังกันอย่างนี้ฟังเพลงที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจก็ตามทีตั้งใจฟังมันจนจบ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 คือเป็นการรวบรวมกําลังใจให้จับอยู่กับต่างกระแสกับกระแสของเพลงและเสียงของเพลงตอนนี้เมื่อกำจับเสียงเพลงได้ตลอดจบไม่ขาดสายก็แสดงว่าจิตของเราเป็นสมาธิตัวสติใช้ได้นี่มาถึงสัมปชัญญะต้องรู้ว่าเสียงเพลงที่ออกมาเป็นเสียงหนักหรือเสียงเบาเสียงทุ่มหรือเสียงแหลม ต่วงจังหวะสั้นหรือยาวอย่างนี้เป็นสัมปชัญญะตั้งอารมณ์จิตให้มันตรงอยู่โดยเฉพาะเสียงเพลงตามที่กล่าวมาอย่างนี้เป็นสมถภ า, าวนาต่านี้สมถภ า, าวนามันก็มีต่อไปอีกเอาเสียงเพลงเป็นเครือของเราต้องนึกว่าเสียงเพลงมันดังมาได้สามส ถ, ถานด้วยกันคือนหนึ่งเคาะ สองสีสามเป่า <c oughs> หรือว่ามันจะมาจากทางไหนได้อีกก็ต่างใจส่วนใหญ่ใหญ่เสียงเพลงจะมีกันได้ก็จักเสียงคอแล้วก็เสียดสีแล้วก็เป่าเด่นลมนี่เสียงเพลงที่ดังเจ้ยเจ้ามาไม่ขาดสายแล้วก็ต้องคิดว่านี่ก็เพาะทีเดียว เขาสีครั้งเดียวเขาเป่าครั้งเดียวหรื อ, อยังไงเตือน้่อแทจริงๆไอการเคาะครั้งเดียวสีครั้งเดียวเป่าครั้งเดียวนะเป่าแล้วเสียงก็หายไปสีครั้งหนึ่งเสียงก็หายไปเคาะทีหนึ่งเสียงก็หายไปนี่เสียงที่มันดังอยู่นานก็เพราะว่าเขาเคาะไม่ขาดมือเคาะและ้วยกวาแล้วก็เคาะต่อ สีไปสีมาไม่ขาดสายเป่าเสมอไปไม่หยุดยัง้งเสียงเพลงจึงได้ปรากฏตลอดการตลอดสมัยจึงกว่าจะจบเปลียวตอนนี้เราก็เอาเสียงเสียงเพลงนี้เข้ามาคิดนี่สมมติว่าถ้าเราเคาเข้าสีแล้วก็เป่าข้างเดียวมันไม่เป่าต่อไปไม่สีต่อไปไม่ขคาต่อไปเสียงเพลงจะมีต่อไปได้ไหแล้วก็จะเห็นชัดว่ามันมีไม่ได้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 ต่อมาเมื่อร่างกายจะปรากฏจิตจะมีที่อาศัยอยตลอดการตลอดสมัยเขาก็อาหารที่มารดาโรนิโฟเข้าไปรอเลี้ยงร่างกายจากเล็กมาถึงใหญ่จึงทั้งเกิดตุ่มเป็นสายขาขึ้นมาแล้วก็มีอาการสาสิสองครอบพูนใ น, นที่สุดก็เคลื่อนออกมาจากคันมารดามีร่างกายสมบูรณ์ที่เป็นได้อย่างนี้เพราะอะไรเพราะอาหารล่อเลี้ยงเขาไว อาหารหล่อเลี้ยงเป็นสันตติคือเการสืบต่อกันเรื่อยไปเมื่ออยู่ในคันมันดาได้อาศัยมันดาบริโภคอาหารอาหารเก่าวพอจะหมดไปอาหารใหม่มันดาก็กินเข้าไปใหม่มันก็เป็นหล่อเลี้ยงใหม่หากว่าหารของมันดาไม่หล่อเลี้ยงตลอดไปมันก็ตายนี่ชีวิตที่ออกจากคันมันดาก็เหมือนกันเป็นคนแล้วแต่ถ้ว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 ผัสสะอาหารอาหารคือผัสสะได้กระลมน้ำใจเขาออกมนโนสัจเจตนาอาหารอาหารคือความปรารถนาของใจอย่างนี้เบื้องต้นสิ่งอาหารทั้งหลายเหล่านี้มันหล่อเลี้ยงกาลังกายสวัยถ้าอาหารนี่ที่เขาให้กินเข้าไปในระยะแรกแล้ทําไม่ให้ต่อไปเมื่อกําลังของอาหารกล่าวหมดไปร่างกายจะพ้นตาย นี่ไนั่งเปรียบเทียบกับเสียงดนตรีมันก็มีสภาพเหมือนกันเสียงดนตรีที่เาขาเคาะแล้วเขาไม่เคาะใหม่เสียงก็าขาดไปเหมือนกับชีวิตของเราที่ขาดอาหารอาหารเก่าหมดไปอาหารใหม่ไม่มาเราก็าตายเนี่ยเอาเสียงดนตรีเป็นครูในการเจริญสมถภาวนาแล้ก็ฟังเสียงดนตรีมันต่อไปว่ามันมีสภาพเพียงไหม อย่าดนตรีนี่มันก็มีสภาพไม่เจียงเป็นอนิจจังเหมือนกันเพราะเพลงก็ต้องการฟังเสียงกําลังไรเราะกราดปรืงดีไม่ดีไปบางแจังหวะบางตอนก็เพลงนั้นก็อัดเป็นที่ไม่ชอบใจของเราเมืทีเพลงเบียงเพล ง, งเดียวกันคนบรรเลงคนเดียวกันดีดสีตีเป่าเลือเคาะให้เราชอบใจได้ในการบางครั้งบางคราวบางคราวเราก็ไม่ชอบใจในลีลานั้น <c oughs> ท่นนี้เพราะอะไรเพราะเป็นอนิจจังของเสียงไพรมันไม่เที่ยงว่าคนที่บันเลงนะไม่เที่ยงแล้วหูคนฟังก็เป็นหูที่ไม่เที่ยงจิตคนฟังก็เป็นจิตที่ไม่เที่ยงเพราะอะไรจรึงว่าอย่างนั้นคนบรรเลงคออาจจะอ่อนไปความไหวของมืออาจจะไม่ไม่สม่ําเสมอกันความไพเราะเพราะฟังมันก็ขาดไปย่อหย่อนลงไป <c oughs> นืเครื่องดนตรีที่เราใช้มันก็รู้จักเก่ามันก็รู้จักเสื่อมมันก็รู้จักโซมเนี่อารมณ์ของบุคคลฟังก็ไม่แน่นักวันนี้อาจจะชอบฟังเพลงเสียงห ว, วานหวานโหยหวนไพเราะบางขณะอาจจะต้องการฟังเพลงที่เราใจธรรมใจใ ค, ค, คือคักคือพึกโครมตึงฟังคงครับ นี่เป็นอันว่าเสียงเพลงมันก็ไม่เที่ยงคนบรรเลงก็ไม่เที่ยงต่งคนฟังมันก็ไม่เที่ยงเมื่อความไม่เที่ยงเกิดขึ้นขึ้นมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์อารมณ์ที่ไม่ชอบใจเกิดขึ้นมันก็เป็นอารมณ์ของความทุกข์คำว่าทุกข์แปลว่าจำจะต้องทนของที่เราจำจะต้องทนฟังจำจะต้องทนทำ จำจะต้องทนคิดนี่มันเป็นอาการของความทุกข์ <c oughs> แล้วทำไมมันถึงทุกข์ล่ะก็เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันจึงทุกข์เพลงเป็นครูจำเสียงไว้เพระเพลงเป็นครูเรามีความทุกข์เพราะเสียงเพลงมันไม่เที่ยงแต่ความจริงเสียงเพลงมันเที่ยงแต่ว่าคนสดิทสีตีเป่ามันไม่เที่ยง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 แล้ก็ไปนั่งนึกดูว่าไอ้เพลงทั้งหลายเนี่ยเรื่องการดีซีดีเป่าของแต่และบุคคลมันทรงก็อยู่ตลอดการตลอดสมัยไหมไมันด้ทรงได้ยังไงนักดนตรีประจําโลกตั้งแต่โลกเกิดมานักดนตรีก็ติดมากับโลกเสมอนักดนตรีตายไปแล้วนับใหม่ถวนนี่เป็นอนัตตาใชแล้วบังคับไม่ได้ รายการนี้สองเครื่องดนตรีสําหรับบรรเลงตั้งแต่ตั้งโลกมาถึงปัจจุบันเครื่องดนตรีที่พังไปสลายไปนี่นับไปทวนไม่มาเข้าสภาพอนาตตาเ <c oughs> <c oughs> จยวของเ่ะปรับปรุงยะซ่อมแซมเป็นราการใดก็ ต, ตามทีเครื่องดนตรีก็ไม่ทรงตัวและก็คนฟังเสียงดนตรีละ่ะฟังกี่คนฟังเท่าไรตายหมดเท่านั้น มก็เป็นอนัตตานีการฟังเสียงดนตรีถ้าฟังเป็นแล้วก็เป็นพระอาหารหันต์ได้พระยาถามว่าคนพูดเนะ่ยเคยใช้เสียงดนตรีเป็นเครื่องประกอบในการปฏิบัติสมถกรรมฐานมิปัญนากรมฐามนหรือเปล่าความจริงพระพุทธเจ้าท่านทรงห้ามว่าท่าเทศแล้วก็จะอ้างอิงตัวเองเป็นสําคัญ แต่ว่าเรื่องนี้เราพูดกันตามหลักของความเป็นจริงก็ต้องขอบอกว่าใช้มามากพยายามปกติเป็นคนชอบเล่นดนตรีแต่ว่าเป็นดนตรีไทยเดิมเรื่องดนตรีนี่เสียงเพลงอะไรก็ตามใครก็จะมาเลงกันที่ไหนเป็นนักขโมยเพลงจริงที่สุด ยงเพลง พ, พื้นพื้นธรรมดาธรรมดาฟังจบเดียวก็เอาไปกินเลยนี่นักขโมลเพลงเพลงตับยาวๆเช่นตับหนกกบบากระบ่โร ม, มากเป็นนางลอยอย่างนี้ถ้าใครบันเลงให้ฟังเพียงสองครั้งเอาไปกินหมดทั้งเนื้อเพลงและบทร้องไม่เหลือแน้วดีม่นดีก็ชอบแต่งต่อเติม บางแบบบางแผนคิดได้เสมอ <c oughs> ไม่ตอนนี้คนเขาทำแบบนี้ตอนนั่งคนเขาทำแบบนั้นมันดีไม่พอหรือบางทีมันก็ดีไม่กันเวลาที่เราจะประชันกับเขาถ้ามันเหมือนเขาเราก็เอาชนะเขาไม่ได้แล้วก็ต่อเนื่อโน้นเติมนี่สนิทหน่อยของเก่าก็ทำไปดีแล้วคนเริ่มต้นสร้างใหม่เนยแย่แต่เรามาแก้ไขเปล่แนแปลงเนยน้อย สบายเราก็มีอารมณ์สบายในเมื่อเรามีอารมณ์สบายข่ออะไรพอเอาเราเขามาใช้ตอนนี้พอเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาฟังเสียงเพลงมันก็ติดใจแต่ฟังมาฟังไปมาเทียบเคียงกับชีวิต ไม่เพลงที่เขาเคาะขึ้นมาในเบองต้นแล้วก็เคาะต่อไปมันก็เหมือนกับการเกิดขัวเราแล้วก็มีชีวิตเดินตายเต้ามาตามลําดับในที่สุดเพลงเขาบรรเลงจบชีวิตแล้วก็จบเหมือนกับเสียงเพลงในการฟังเพลงไทยจึงเป็นปัใจจัยให้เกิดฌานสมาบัติี่เคยหายกินกับเสียงเพลงมันแล้ว โดยเฉพอะอย่างยิ่งเพลงประคมศพที่ชอบฟังมากเดี๋ยวนี้ก็ยังชอบฟังพอฟังเสียงเพลงประคมศพทีไรก็คิดว่าตัวเราตายไปแล้วเวลานี้ปีผ่าปงใหญ่เค <c oughs> ื่องมอญกําลังไบอร์โคมศพเราใจมันก็มีความรู้สึกสบายคิดว่าเวลานี้เราตายไปจากโลกนี้แล้วดีผ่ายกําลังประคมศพเราเลือกซึ่งภาพเวลาตาย เราก็เล็กถึงเสียงเพลงที่เขาบรรเลงมันโ ห, โ ห, โ ห, โหยหวนโยนใจแสดงสัญลักษณ์ของความตายแล้วเราก็านั่งนั่งจัวถ้าเราจะเกิดประฟังเสียงเพลงแบบนี้ต่อไปมันจะเกิดประโยชน์อะไรไปปัญหาประโยชน์อะไรไม่ได้มันมีแต่ความทุกอย่างเดียวไม่มีอะไรเป็นปัจจัยของความสุขในเมื่อมันไม่สุขมันเต็มไปได้วยความทุกข์ เราก็หาทางเลิกเกิดมาเสียเรื่องที่เขามันเลงแล้วเขาเลิกบรรเลงไปชั้นใบแล้วผู้บรรเลงไม่กลับมาบรรเลงใหม่คือตายไปจากโลกนี้หรือว่าเครื่องเขาเครื่องดนตรีที่สาหรับบรรเลงมันพังไปเราก็ตั้งใจให้มีสภาพแบบนั้นเกิดมาแล้วมันเป็นทุกข์เสียงเพลงหายไปเสียงเพลงก็มีความสุข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 นมาชีวิตของเราเหมือนกันเมื่อเสียงเพลงหายไปกิจเพ่งการบรรเรงไม่มีอีกเลงก็มีความสุขคนบรนเลงเพลงตายไปแล้วก็ไม่มีใครเขาใช้เราชีวิตของเรานี่ถ้าเราตายแล้วเราจะเกิดใหม่เราก็ต้องถูกอิเลสตัณหาปารทานอกุศ ล, ลกรรมใช้เราต่อไป เราก็วันเลิกให้กินเล็ดตั้นากว่าทานแล้วกุศล ก, กรรมมันใช้จะดีกว่าโดยน้อมนำอากระแสดเพลงที่ฟังมาว่าเสียงเพลงมันเกิดขึ้นในเบื้องต้นมันขึ้นไปหาใกล้จบเพลงในระหว่างกลางแล้วห น, นที่สุดเพลงก็จบชีวิตของเราก็มีสภาพเหมือนกัน ในเมื่อมันมีความความความเกิดขึ้นมาในเบื้องตน้นแล้วก็มีความเสื่อมทรมไปในทกกลางแล้วก็มีการแตกสลายไปในที่สุดมันก็พังแต่ว่าร่างกายของเราท้าพังเพราใจมันยังเกาะมันก็ยังไม่ถึงที่สุดของเสียงเพลงก็จะเหมือนกับเพลงที่เขมันเลงจบแล้วจะถึงเวลาเขาก็บรรเลงใหม่เสียงมันก็ไปขาดสายเราจะทํำยังไงเราจริงจะทําเหมือนอเสมือนกับหนึ่งว่า เสียงเพลงที่เขาบรนเลงแล้วขาดหายไปและไม่มีใครกลับมาบรรเลงอีกคือค่อยเข้าทั้งจุดจบคือคนบรรเลงเพลงตายเครื่องดนตรีทั้งหลายพังเสียงเพลงมันก็ไม่กลายกดทำยังไงถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องยอมรับนบาฏประทมคำสั่งสอนของของค์สมเด็จพระบรมมหารวสคตคือพิจารณาในสังโยคสิบเป็นสมุทฐาน ไว้เป็นประจําใจแล้วก็กะกําหนดเวลาเขาว้ว่าสังโยกสิบรายการนี้ข้อนไหนมีผลเป็นราการใดเมื่อไรจะถึงปัจจัยที่ทําเราทําให้เราไม่เกิดเมื่อถึงจุดจบอะไรเมื่อนั้นความสบายใจก็ย่อแปรากฏอร บ, บรนดาสาวกองค์สมเด็จพระรมสุะสูตรเรื่องใช้เพลงเป็นสมถา ะ, ะวิปัสนา ก็ขอแแดงให้รับฟังไม่ได้เพียงย่อๆพอได้ความส่านนี้หากว่าท่านใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาให้ดีแล้วเรียงจะเป็นปจัจจัยใหาดนินไหลเข้าถึงสุคนิพานได้โดยไม่ยากสวัสดี